เป็นไงห้เหนื่อยยังขึ้นเขาออกข้อสอบปฏิบัติมาทั้งวันออกข้อสอบหนักก็ในการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมัน oui ดีอย่างหนึ่งก็คือเราใช้ทุกการเคลื่อนไหวเป็นการปฏิบัติจะไม่ทําให้เราหนักหน่วงงอหรือไม่ทําให้เราเบื่อ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 กลายเป็นกลายเป็นปัญญาแต่ปัญหาถ้าแก้ไม่ได้มก็กลายเป็นตัณหาอ่ากลายเป็นความทุกข์ดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมมาเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาปัญหามีตลอดเวลานั่ ง, น, งนานง่วงเป็นปัญหาไหมเป็นนั่งนานเมื่อยเป็นปัญหานั่งนานเบือ่อเป็นปัญหา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 เพื่อกำลังละโลคโกรธหลงบุญของคุณนั้นย่อมมีผลสูงอ่าเพราะอะไรเพราะเราก็่อจะได้เรียนรู้กันลดความโลกความโกรธของความหลงของเราลงด้วยคนไหนปฏิบัติเพื่อละความโลกท่านก็จะสอนให้เราแก้ความโรคของเราคนไหนปฏิบัติเพื่อละความโกรธเข า, เาก็รู้วิธีละเขาก็าจะนำวิธีละความโกรธมาสอนเรา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 ทำอยู่สองอย่างคือบอกชี้ทุกขว่าอันนี้คือทุกนะแล้วทางออกมันคืออย่างนี้นะอันนี้คือหน้าที่ของท่านนะแต่ว่าท่านทำท ำ, ทำโดยทำโดยวิธีสีวิธีหนึ่งวิธีเรียกว่าเปิดของที่ปิดสองหงายของที่ค่วงสาม 3, บอกทางแก่คนหลงทางสี่ชูแสงสว่างในที่มืด น, นะนี่คือทําด้วยวิธีสี่ประการนี่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 รู้จักรูปทุกนามทุกรู้จักรูปโลกนามโลกรู้จักอนิจจังทุกขังนาตาเรวด้วารู้จักรูปนามให้รู้อย่างนี้ทีนี้รูปนามเอบางคนว่ารูปฉันรู้จักฉันก็ถ่ายรูปทุกวันนะใช่ไหมจะบอกว่าฉันไม่รู้จักรูปได้ไงรูปนั้นจะถ่ายรูปคนละเรื่องเลยเอะฉันถ่ายรูปทุกวันรูป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 เรานั่งเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเรามีลูกคุณรู้ได้ไงว่าคุณว่าคุณว่ามีลูกมีกายรู้ได้ไงนั่นนไงรู้ได้ไงว่ า, ม, ม, ว า, ามีลูกฮะตามองเห็นใช่ไหม เ, เ, เดี๋ยวถ้าสมมติหลับตาจะมองเห็นไหนั้นมองเห็นก็ไม่ใช่ลูกแล้ว <laughs>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 ดังนั้นนี่วรห้าความม่วงความเบือ่อความเหงาความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยความหมุหนหงิดพวกนี้มันก็เป็นทั้งความทุกข์ของลูกของนามนันแหละแต่ว่าแน่นอนเป็นความทุกข์ของอทั้งลูกทั้งนามแต่เราที่เราไปเสพไปก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งที่เราไปเสพความทุกข์สําคัญว่าเป็นสุขนะ่ะเราก็ถึงม่วงได้เอาละทีนี้ลูกนามรู้จักละ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 เพรามันเป็นนามเป็นรูปล้วนๆไม่ทุกเป็นปรามัดนน่ยแล้วก็ตัวนาม ล, ล้วนๆทุกไหมอ้าวถามก่อนว่านามล้ลวนๆเป็นไงถามไปเมื่อกี้ว่าสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามนามรูปหรือนามล้ลวนนามล้ลวนๆต่ขอบตกแล้วนามรูปนามรูปคือคิดออกมาในเรื่องที่เรา ความคิดอ่ะเป็นนามลูวแต่นามล้วนๆวนไม่ใช่ความคิดนามล้วนเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวนี่เป็นนามล้วนเพราะนณสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นนามล้วนแต่ถามว่าปัญญาเป็นรูปอย่างไรนึกออกไหมรูปเป็นรูปมันเป็นไงรูปของปัญญาเนี่ยไม่มีรูปสติเป็นตัวยังไงไม่มีรูปเพราะมันเป็นนามล้วนลวนนึกไม่ออกแต่ถามว่าไอ้แก้วเนี่ยเป็นตัวอย่างนึกออกไหม แก้วเปลักษณะนึ้ออกแต่ถามว่าสติเป็นรูปอย่างไรนึกไม่ออกเพราะมันเป็นนามล้วนๆนึกไม่ออกนะแล้วก็คนตายแล้วเขาคิดเป็นไหมคิดไม่เป็นเพราะเขาไม่มีนามเพราะเป็นรูปล้วนๆคิดไม่ออกถามว่าเขาไม่ทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์เพราะเขาเป็นรูป ล, ล้วนๆเพราะเขาไม่มีนาเมวัะนั้นรูปล้วนๆนามล้วนๆเป็นปรมัตเพราะไม่ทุกข์แต่รูปนามและนามรูปยังเป็นสมมุติได้อยู่นะ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 อ่าเคื่องเปลี่ยนไปทางทุกอณิจ ang มันจะเปลี่ยนไปทุทกขันไงแต่ถ้าเราเปลี่ยนมันมันมีสองอย่างเราเปลี่ยนมันก็บันเปลี่ยนเองเฮ้เ ห, หมือนกันอย่างละเอาตักแกงมาถ้วยหนึ่งมาตั้งไว้สามวันแกงถ้วนี้เปลี่ยนไหมฟังให้ดีเราตักแกงมาถ้วยหนึ่งมาตั้งไว้ตรงนี้สามวันแกงถ้วยนี้เปลี่ยนไหม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 เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเปลี่ยนมันไม่กข์าเนี่ยเรานั่งเฉยๆเนี่ยให้มันหายปวดเองได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนมันไปนไงขยับหายปวดไหมอ่านี่เห็นไหมถ้ามันเปลี่ยนเองเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเปลี่ยนมันอ น, นิจจังไม่ได้เป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์อ่าเพราะนั้นอ น, นิจจังไม่ได้ไม่ได้เป็นทุกข์เสมอไปนะ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 ทั้งทั้งปีไม่ต้องไปวัดเลยอะ่ะแต่เราฟังธรรมะทุกวันดีกว่าไหมอันนี้พระสงฆ์อยากไปพ่าอย่างนี้เลยนะวัดไม่มีพระก็เพเห็นดีแล้นะแต่ถ้าไปวัดแล้วเนี่ยวัดให้ประโยชน์กับเราเหมือนกับเราได้จากสื่อเนี้ยเราก็น่าไปถ้าไปวัดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ไปเวลามันก็ไม่ชะ ม, ม, ม, ม, มีมากนะเพราะฉะนั้นเราจะไปมันต้องเริ่เป็นเรื่องเวลา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 เพรานะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องพุทธศาสาเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เรื่องปัญห า, ญหาและการดับปัญหาพุทธเจ้าจึงเจอพบสูตรสา곤สูตรสีอย่างปัญหาเหตุเกิดปัญหาการดับปัญหาวิธีดับปัญหาการแก้ปัญหาวิธีความจนเหตุเกิดของความจนวิธีการดับความจนหรือสลัดความจนวิธีแก้ความยากจนเนี่ยท่านรู้เรื่องนี้ความแก่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 แต่เรื่องนี้จะไปหาเรื่องที่เราพูดเราฟังกันอยู่จะไปหาที่อื่นฟังมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเราอยากจะเน้นให้เกิดความเข้าใจและเอาไปใช้ได้จริงๆถ้ามาอบอรมครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งออกไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮูเสียเวลามหาศาลเลยนะหงพอไปเสียเวลาคุณก็เสียเวลาด้วยแต่ออกไปรู้สึกว่า ม, มันมีอะไรสะดุดใจอยู่นะเวลา